ในวันนี้จะได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับองค์ของฌานในข้อต่อไปคือข้อที่สี่เพราะาครั้งที่แล้วได้พูดถึงคำว่าปีติส่วนคำว่าสุขกับเอกคตานั้นยังไม่ได้อธิบายโดยละเอียดเพราะองค์ฌานนั้นมีห้าคือมีวิตกวิจารปีติสุขเอกกคตา อ ง, องทั้งห้านี่เองรวมเรียกกันว่าฌานซึ่งมีหน้าที่ไปแผดเผานิวรต่างๆให้หมดสิ้นไปสำหรับเรื่องของของปีตินั้นได้อธิบายถึงปีติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจแล้วแต่ปีติที่เป็นไปในองค์ฌานนี้ท่านมุ่งหมายเอาเฉพาะตัวคารณาปีติ เพราะปรณาปีตินั้นเป็นปีติในองค์ชานโดยเฉพาะส่วนคุตตกาปีติเหล่านั้นหรือคณิกาปีติไม่ได้มีความประสงค์ในที่นี้แต่ที่หยิบยกมาแสดงนั้นก็เพื่อที่จะให้เราได้เข้าใจว่าปีตินี้มีอยู่หลายประเภทด้วยกันซึ่งบางครั้งก็เกิดขึ้นกับบุคคลผู้ปฏิบัติไม่เหมือนกันแต่ปิติเหล่านั้นอาจจะไม่ใช่ปีติที่เป็นองชาน เดี๋ยวเกิดปีติขึ้นมาก็จะสาคัญผิดคิดว่าเราได้บรรลุฌานแล้วเพราะฉะนั้นจึงขออธิบายเพิ่มเติมในวันนี้ว่าปีติที่ประสงค์ในองค์ฌานนั้นหมายเอาเฉพาะภารนาปีติส่วนคำว่าสุขคือผู้ที่ได้บรรลุถึงซึ่งอัปปนาสมาธิก็ดีหรืออุปจารสมาธิก็ดีความสุขย่อมเกิดขึ้นอย่างแน่นอน เพราะว่าสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิจิตนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบในเมื่อจิตนี้ปราศจากเสียซึ่งนิวรณ์แล้วความสุขก็ต้องเกิดขึ้นเพราะความสุขที่เกิดขึ้นแก่เราก็ต่อเมื่อถูกนิวรณ์ต่างๆเข้าครอบงำเมื่อนิวรณ์เข้าครอบงำจิตมากความทุกข์ก็มีมากจะไนั้นบุคคลผู้ที่ได้บรรลุถึงซึ่งสมาธิจิตถึงขั้นอัปปนาสมาธิอย่างนี้ ความสุขย่อมเกิดขึ้นแน่นอนปัญหาจึงเกิดขึ้นว่าความสุขที่กราวไว้ในองค์ฌานนั้นจะเหมือนกับความสุข ท, ทั่วไปที่เราได้รับกันอยู่ปัจจุบันนี้หรือไม่ เ, เรื่องความสุขนี้จำได้ว่าได้เคยแยกให้ท่านทั้งหลายได้ทราบไว้แล้วว่ามีอยู่สองประเภทด้วยกันความสุขประเภทหนึ่งเรียกว่าเวทิสุขอีกประเภทหนึ่งเรียกว่าสันติสุข เวทยิตสุขนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากการได้สเสวยอารมณ์ที่ดีก็ทําให้เกิดสุขเวทนาขึ้นหรือเกิดโสมนัสเวทนาเช่นเป็นต้นว่าเราได้เห็นรูปที่ดีที่เราพอใจอันเป็นส่วนของอิทธารมเราได้กลิ่นที่ดีได้ฟังเสียงที่ดีได้กลิ่นที่ดีได้ลิ้มรสที่ดีได้สัมผัสถูกต้องทางกายที่ดี ได้ลึกคิดในธรรมอารมณ์ที่ดีเมื่อเราได้กระทบกับอารมณ์ที่ดีอย่างนี้ความสุขก็เกิดได้ความสุขอย่างนี้เรียกว่าเกิดขึ้นจากการสเสวยอารมณ์ในทางคำใช้คําว่าเวทยิยสุขหรือความสุขที่เราเลือกรุงแต่งเช่นอย่างเราตกแต่งบ้านเรือนให้หน้าอยู่ให้หน้าอาศัยหรือเรามีเครื่องปนุงเตอต่างๆที่บม่บมบมุงบําเรอความสุข อันเกิดขึ้นในชีวิตปัจจุบันนี้จะเป็นการเพราะเรามีความสุขจากการมีทรัพย์สินเงินทองมีลาบมียศมีเสียงสระเสริญหรือเราได้มีความสุขจากการที่ได้จับจ่ายใช้สอยเงินทองได้อย่างสบายเราก็มีความสุขตลอดจนความสุขอื่นๆที่เกิดขึ้นจากปัจจัยภายนอกความสุขประเภทนี้เรียกว่าเวทยิสุข เขาจะถามว่าความสุขที่กล่าวไว้ในฌานเนี่ยผู้ที่ในฌานแล้วจะมีความสุขนั้นความสุขชนิดนี้จะเหมือนกับความสุขเหล่านี้หรือไม่ความสุขที่เป็นความสุขในฌานไม่เหมือนความสุขที่เราได้รับจากเวทยิตสุขทั้งความสุขที่เราได้รับในฌานกับเวทยิตสุขนี้ก็สุขต่างกัน ถ้าเราได้สัมผัสความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิเราก็มีความสุขได้นานเป็นความสุขที่ได้นานกว่าแม้ว่าความสุขชนิดนี้จะเป็นเพียงขั้นโลกิยก็ตามแต่ก็มีความสุขได้นานกว่าความสุขที่เป็นเวทียตสุขเวทียตสุขนั้นเป็นความสุขที่เกิดขึ้นได้จริงจากปัจจัยต่างๆเหล่านี้ปรุงแต่งก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทาให้เราได้เสพความสุขได้ชั่วครั้งชั่วคราว แต่ก็ไม่ถาวรเหมือนกับสันติสุขฉะนั้นความสุขที่กล่าวไว้ในองค์ฌานเนี่ยท่านจึงหมายถึงธรรมชาตนะิท่านหมายถึงธรรมชาติที่ไปเคี้ยวกินหรือไปขุดไปข้าความลำบากกายลำบากใจเสียได้ด้วยดีธรรมชาตินั้นน่ะ เรียกว่าความสุขถ้าถามว่าความสุขนี่คืออะไรเราวก็ตอบได้ว่าความสุขนั้นคือธรรมชาติที่ไปเคี้ยวกินหรือที่ไปขุดคุ้ยเอาความทุกข์ความลำบากทั้งทางร่างกายและจิตใจเสียได้ด้วยดีธรรมชาติชนิดนั้นแหละเรียกว่าความสุขปัญหาจึงอวอกกลับมาหาชีวิตของเราทุกคนว่า ในปัจจุบันนี้ที่เราได้พาการแสวงหาความสุขนั้นได้เป็นไปในลักษณะเช่นนี้หรือเปล่าจะเป็นการสแสวงหาความสุขในทางไหนๆก็าตามจะไปดูหนังดูละครจะไปฟังดนตรีหรือจะไปเที่ยวหาของที่ชอบใจหรือจะไปทำอะไรสิ่งใดสิ่งหนึ่งซึ่งเราถือว่านั้นไปเพื่อความสุขแต่ว่าความสุขที่ได้มานั้น ได้ไปคุดคุยหรือไปฆ่ า, าความลำบากกายลําบากใจเนี่ยให้หมดไปได้ด้วยดีหรือเปล่าเป็นเรื่องที่เราจะต้องพิจารณากันเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญในในชีวิตของมนุษย์ที่ดํารงอยู่ในโลกปัจจุบันนี้ต่างคนต่างก็แสวงหาความสุขแต่เราก็ไม่รู้ว่าความสุขที่จะได้รับอย่างแท้จริงนั้นคืออะไร และจะเกิดประโยชน์อย่างไรบ้างโดยปะกะติธรรมดาชีวิตของคนที่ดำรงอยู่ในโลกนี้มีความทุกข์อยู่แล้วโดยสภาพตั้งแต่เริ่มเกิดเป็นต้นมาเรามีความทุกข์อยู่ก่อนแล้วฉะนั้นจะสังเกตได้ว่าตั้งแต่เราได้เริ่มเกิดมาสู่โลกนี้ เราก็ต้องพยายามลิ้นโลนแสวงหาความสุขกันอยู่ตลอดเวลาตั้งแต่เล็กจุดกระทั่งเติบใหญ่ย่างเข้าสู่วัยชราแล้วแม้จะใกล้จากโลกนี้ไปแล้วเราก็ยังแสวงหาความสุขกันอยู่บางท่านก็แสวงหาพบบางท่านก็ไม่พบและเชื่อแน่ว่าถ้าหากว่าเราแสวงหาผิดทางตลอดชีวิตเราก็จะไม่พบความสุข บางทีสแสวงหามาจนอายุใกล้จะจากโลกนี้เป็นแล้วอายุไขใกล้จะสิ้นแล้วเราก็ยังไม่พบความสุขที่เป็นเช่นนี้เพราะว่าเราสแสวงหาผิดทางจิงอยู่สิ่งที่สมมติกันว่าเป็นความสุขที่เราได้กันมานั้นแต่ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่อมจะเป็นจะจักพยานแก่บุคคลผู้ที่สแสวงหามาได้เป็นอย่างดีว่าเป็นความสุขที่แท้จริงหรือไม่จก คิดว่าความสุขนั้นเกิดขึ้นจากความมีลาภเช่นคิดว่ามีเงินมีทองมากๆแล้วเราก็จะมีความสุขถ้าไปถามคนมีเงินมีทองเขาก็จะบอกว่าความจริงการมีเงินมีทองมากๆไม่ใช่เป็นความสุขเลยก็แสดงให้เห็นว่าที่เราเข้าใจว่ามีลาภมากแล้วจะมีความสุขนั้นที่แท้ก็คือความทุกนั่นเอง เราคิดว่าการมียศถาบรรดาศักดิ์คงจะทำให้มีความสุขแต่ไปถามคนที่มียศแล้วเมื่อได้เคยริมรสสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นมาแล้วก็บอกว่ายังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงแม้จะมียศถึงขั้นสูงสุดก็ยังบอกว่าก็ยังไม่ใช่ความสุขที่แท้จริงคนที่อยากจะให้คนยกย่องสันเสริญคิดว่าความสันเสริญเญญยินยอนนั้นจะเป็นความสุขที่แท้จริง แต่ได้ถามดูว่าคนที่ได้รับการสรรเสริญเยินยอ น, นำมีความสุขหรือไม่ไม่มีความสุขเกิดความทุกข์ขึ้นอีกประเภทหนึ่งซึ่งทุกข์อันนี้เป็นทุกข์ที่เกิดขึ้นจากการได้รับความสรรเสริญหรือการได้รับชื่อเสียงเกียรติคุณต่างๆซึ่งก็ไม่ใช่ความสุขอีกเหมือนกันเป็นทุกข์อีกเพราะถ้าลานี้จะไม่มีเวลาพักผ่อน เราพอใจว่าความสะดวกสบายต่างๆเนี่ยอํานวยความสุขให้เกิดขึ้นแก่เราแต่ความสะดวกสบายบางอย่างกลับก่อทุกข์ให้แก่เราก็มีอยู่นี่แสดงให้เห็นว่าการสแสวงหาความสุขทั้งหลายเหล่านี้ก็ยังหาได้พบความสุขที่แท้จริงไม่วันเวลาที่ล่วงเลยไปจากการสแสวงหานั้นเราต้องสูญเสียแน่นอนบางทีสูญเสียกันเป็นปีๆต้องสูญเสียไปเป็นปีๆ และถ้าหากว่าแสวงหาไม่ถูกและก็ต้องเสียเวลาไปหลายหลายปีบางท่านเสียเวลาเป็นสิบสิ บ, สบปีบอกแม้สิบปีที่ผ่านพ้นมานี้ยี่สิบปีที่ผ่านพ้นมานี้หลงไปหมกมุ่นอยู่ในสิ่งนั้นสิ่งนี้คิดว่าจะเป็นความสุขแต่ถึงกล่าวถึงที่สุดเข้าจริงๆแล้วก็กลับกลายเป็นความทุกข์ก็ต้องเริ่มต้นอีกก็ไม่ให้อภรรนนั่งเดี๋ยเวลาไปโดยปราบประโยชน์ถ้าหากว่าชีวิต อ, อายุขัยของเรามีน้อยเราก็อาจจะตายเสียก่อนที่จะพบความสุขก็ได้ฉะนั้นในทางพระพุทธศาสนาเหล่านี้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงได้บานแนวทางไว้ว่าทางใดที่เราจะได้ความสุขที่แท้จริงแล้วก็ไม่ต้องเสียมากนั้นเวล า, าสามเชิเอกว่าโลกนี้ไปว่าความสุขชนิดนั้นนะ่ะจะได้มาในทางไหนเมื่อประมวลดูแล้ว ความสุขทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้รับกันอยู่ทั้งที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยภายนอกและความสุขที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยภายในในความสุขทั้งหลายเหล่านี้ความสุขภายในคือความสุขที่เกิดขึ้นจากเหตุปัจจัยที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัตินั้นเป็นความสุขที่ถาวรกว่าอย่างท่านผู้ที่ประพฤติปฏิบัติธรรมท่านเหล่านี้ได้รับความสุขมากกว่า เป็นความสุขที่ถาวรกว่าเยือบเย็นกว่าสงบกว่าอันนี้เป็นความสุขที่เกิดขึ้นในทางจิตความนี้เมื่อไหร่มาแล้วเรามีความทุกข์กายทุกข์ใจก็ย่อมเนื่องมาจากเหตุปัจจัยหลายอย่างบางอย่างเนื่องมาจา ก, กเรายึดถือสิ่งใดสิ่งหนึ่งมากเกินไปก็เป็นที่ทาให้เกิดทิฏฐิถ้าเราจะทำลายความทุกข์ความลาบากเหล่านี้ได้ก็ต้องอาศัยความสุข และความสุขที่จะไปทำลายได้ก็คือความสุขที่เกิดขึ้นในองค์ฌานหรือความสุขที่เราได้จากสมาธิเราจะเอาสุกจากการดื่มเหล้าจากการดูภาพยนตร์จากการไปเล่นการพนันหรือเที่ยวในสถานอย่เนี่ยี่เราไปสแสวงหาความสุขอย่างเนี้จะทำให้เราลืมความบาปต่างๆได้อันนั้นก็เห็นถ้าจะไม่จริงเพราะว่าบุคคลที่ไปสแสวงหาความสุขเหล่านี้ก็ยังมีความทุกข์อยู่ เมื่อออกจากสถานที่เหล่านั้นแล้วก็เกิดความทุกข์ขึ้นอีกแต่ควรจะใช้ว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ทําให้เราลืมความทุกข์ได้ชั่วขณะหนึ่งถ้าเป็นอย่างนั้นเราก็อาจจะลืมได้แต่ทุกข์นั้นหาหมดไปไม่ยังมีอยู่เป็นประเทียงว่าเราลืมนึกถึงเท่านั้นเองแต่ทุกข์ก็ยังคงมีอยู่โดยสภาพวาสุ ข, ขานี้ก็ต้องหมายถึงธรรมชาติชนิดนี้คือที่ไปขุดไปฆ่าเอาความลำบากกายลำบากใจให้หมดไปได้นั่นแหละ จึงะเรียกว่าเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากโขงฌานที่แท้จริงความสุขที่นอกจากนี้นั้นไม่ใช่ความสุขประเภทนี้เป็นเวทยิปสุขความสุขอย่างนี้เป็นสันติสุขเป็นความสุขที่เกิดขึ้นจากความสงบแม้ว่าจิตนั้นจะสงบจากนิวรณ์เพียงชั่วขณะหรือชั่วที่ข่มเอาไว้ด้วยอำนาจสมาธิก็ตามแต่ก็เป็นความสุขที่ เกิดขึ้นจากความสงบนแล้วก็เป็นความสุขที่เยอกเย็นกว่าความสุขภายนอกฉะนั้นการให้คําจำกัดความว่าความสุขในที่นี้คืออะไรเราก็ต้องแยกออกไปว่าความสุขมีสองประเภทถ้าเวทีตะสุขความสุขในที่นี้ก็คือการที่เราได้สัมผัสถูกต้องทางอัจฉริะต่ออิทธารมณ์คืออารมณ์ที่ดีที่เราพอใจนั่นก็เป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุข แต่ถ้าจะเอาสันติสุขกันแล้วก็คือความสุขที่เกิดขึ้นจากสมาธิจิตหรือจากการที่เราทำสมาธิถึงฌานแล้วเราได้ความสุขชนิดนี้มาความสุขอย่างนี้จึงจะเป็นสันติสุขนี่เป็นเออเป็นเรื่องของความสุขที่มีอยู่ในปฐมฌานส่วนคำว่าเอกภพตาซึ่งเป็นองฌานที่ห้า เอกคตาเนี่ยหมายถึงธรรมชาติของจิตที่ตั้งมั่นอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งเพียงอารมณ์เดียวไ ม, ไม่เปลี่ยนแปลงไปหลายๆอารมณ์เอกคตาน h i ความจริงก็เป็นเรื่องของเจตสิกเป็นธรรมชาติของเจตสิกแต่เจตสิกดวงนี้แหละที่ทำให้จิตตั้งมั่นต่ออารมณ์อารมณ์ก็คืออารมณ์ที่ตนเองกำหนดอยู่ถ้าหากว่าผู้นั้นได้เจริญปัทวีกสินมาอารมณ์อันนี้ก็จะตั้งมั่นอยู่กับปัวีกสิน โดยที่ไม่ไม่กัดแกงไปไดอารมณ์ต่างๆธรรมชาติที่ทําให้จิตตั้งมั่นอย่างนี้เราเรียกว่าเอกคตาเอกขตานี้ส่วนมากเราใช้ทางปรมาจิตใช้ทางปารพิธรรมแต่ว่าในทางพุทธสูตรเนี่ยใช้คําว่าสมาธิแต่ว่าตัวองค์ธรรมของสมาธินั้นก็คือเอกคตานี้เองเราเรียกว่าสมาธินี่เป็นเป็นองค์ฌานทั้งห้าของ ของปฐมฌานเพราะผู้ที่แด้ปนาสมาธิครั้งแรกหรือได้ฌานครั้งแรกนั้นฌานครั้งแรกเนี่ยประกอบด้วยองค์ทั้งห้านี้เพราะฉะนั้นจึงเรียกว่าเป็นปฐมฌานในปฐมฌานนี้หรือในฌานองค์อื่นๆก็ตามย่อมประกอบด้วยความงามสามอย่างความงามทั้งสามอย่างนี้มีเป็นเครื่องประดับพุทธวัจนะ ทุกธรรมขันธ์หรือทุกสูตรที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงเช่นที่เรากล่าวรัสเสินว่าพระธรรมของพระพุทธองค์ที่พระพุทธองค์ได้แสดงนั้นเป็นอาธิกริยารนังเป็นมัชเชีกริยานังเป็นปริโยสาระกริยานังคือธรรมที่พระสัมมาสัมพุทธเจ้าแสดงนั้นงดงามในเบื้องต้นงดงามในท่ามกลางและงดงามในที่สุด หรือไพระในเบื้องต้นไพระในท่ามกลางไพระในที่สุดนี่เป็นเครื่องประดับคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจา้าว่าย่อมประกอบด้วยความงามสามอย่างชา น, นี้ก็เช่นเดียวกันองค์ชานตัวชานทั้งปฐมชานทุนติยชานตติยชานเจตุติชานและปัญจมชานนั้นก็ประกอบด้วยความงามทั้งสามอย่างนี้ถ้าจะถามว่าปฐมชานนี้ มีความงามเป็นเบื้องต้นท่ามกลางและที่สุดอย่างไรอะไรเป็นความงามของปฐมฌานในเบื้องต้นอะไรเป็นความงามในท่ามกลางของปฐมฌานนั้นและอะไรเป็นความงามในที่สุดของปฐมฌานนั้นสาหรับปฐมฌานนี้นอกจากจะมีความงามทั้งสามประการ น, นี้แล้วยังจะต้องประกอบด้วยลักษณะ10ประการ คือมีความงามทั้งสามด้วยและประกอบวยลักษณะทั้งสิบประการนี้ด้วยความงามทั้งสามประการนาั้นปฐมฌานมีความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นมีความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นนี่เป็นความงามเบื้องต้นของปฐมฌานมีความครอบคูลอุเบกขา ใน่้มกลางมีความเบิกบานเป็นที่สุดงามทั้งสามที่ว่ามีความหมดจดแห่งปฏิปทาเป็นเบื้องต้นนั้นปฏิปทานนั้นคือหลักปฏิบัติหรือเครื่องดำเนินผู้ที่ได้ปฐมชาญแล้วจะมีความหมดจดแห่งปฏิปทานนี่เป็นเบื้องตอน้นคือการดำเนินงานทางจิต หรือการปฏิบัติในทางสมาธินี้เป็นความหมดจดของจิตเพราะว่าจิตนั้นได้ชำระแล้วด้วยอํานาจแห่งองค์ชาญหมดจดจากนิวรณ์ต่างๆไม่มีเครื่องเศร้าหมองอันใดที่จะเกิดขึ้นก่อกวนให้เกิดความทุกข์ขึ้นนี้เป็นปฏิปทาแห่งความหมดจดความหมดจดแห่งปฏิปทาถ้าพูดตามภาษาชาวบ้านก็คือ ความประพฤติสะอาดหมายถึงผู้นั้นมีกายสะอาดวาจาสะอาดมีใจสะอาดความหมดจดแห่งปฏิปทานนี้ก็คือเครื่องดำเนินนั้นหมดจดไม่ไม่มีความเศ้าหมองอย่างใดอย่างหนึ่งเกิดขึ้นมีความพ่อคูณอุเบกขาในท่ามกลางคำว่าพ้อคูณอุเบกขาเนี่ยคื อ, อความบางเฉยเป็นชานุเบกขา เป็นอุเบกขาที่เกี่ยวกับฌานในถามกลางและมีความเบิกบานเป็นที่สุดก็คือผู้ที่ได้ปฐมฌานนั้นจะได้รับความเบิกบานใจเป็นความเบิกบานในทางจิตเป็นที่สุดของการได้ปฐมฌานนี่เป็นเป็นความงามทั้งทั้งสามประการที่มีอยู่ในองค์ของปฐมฌานนี้ ที่นี่ลักษณะอันเป็นเครื่องประดับของความนามสามอย่างว่าองค์ฌานอาฌานที่หนึ่งที่เป็นปฐมฌานนั้นที่ประกอบด้วยลักษณะ10บประการนั้นมีอะไรบ้างลักษณะทั้งสิบประการของฌานโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในเบื้องต้นความนามในเบื้องต้นมีลักษณะสามอย่าง ความนาำในเบื้องต้นคือความหมดจดแห่งปฏิปทาเนี่ยมีความมีลักษณะอยู่สามอย่างลักษณะสามอย่างนั่นคือจิตอย่างที่หนึ่งคือจิตบริสุทธิ์จากอันตรายต่างๆจิตบริสุทธิ์จากอันตรายที่ทว่าจิตบริสุทธิ์จากอันตรายเนี่ยคือธรรมชาติที่จะไปประทุสล้ายจิต ให้เกิดความทุกข์ความลำบากนั้นได้หมดไปแล้วเพราะว่ากิเลสเราถือว่ากิเลสเนี่ยเป็นอันตรายของจิตกิเลสไม่ใช่เป็นคุณของจิตถ้าหากว่ากิเลสเกิดขึ้นมากในจิตก็แสดงว่าอันตรายของจิตนั้นอันตรายของจิตทั้งสิน้นฉะนั้นเมื่อผู้นั้นมีความหมดจดแห่งปฏิปทานแล้วก็แสดงว่าจิตของผู้นั้น ได้บริสุทธิ์จากอันตรายคือกิเลสชนิดนี้แล้วนิวรณ์ที่เป็นอันตรายของจิตเนี่ยไม่มีแล้วเพราะฉะนั้นจิตนั้นจึงไม่ถูกปัททุสร า, ายเป็นจิตที่บริสุทธิ์ผุดทองอยู่ไม่เกิดมลทินขึ้นนี่เป็นเป็นลักษณะที่หนึ่งของของปามนามในเบื้องต้นแห่งปฐมฌานลักษณะที่สองนั้นเ ม, เมื่อจิตบริสุทธิ์แล้วเมื่อจิตบริสุทธิ์ จากอันตรายแล้วจิตนี้จึงดาเนินไปสู่สมถานิมิตสมถานิมิตเนี่ยคือเป็นนิมิตที่เกิดขึ้นจากบัญญัติธรรมที่เป็นกระสินบัญญัติเช่นเป็นต้นว่าถ้าหากว่าเราได้เพ่งปฐวีกระสินเป็นอารมณ์อยู่จิตนี้ก็จะมุ่งไปสู่ดาเนินไปสู่กระสินนิมิตนะั้นอย่างเดียวเท่านั้นจะไม่ไป คิดถึงในเรื่องอื่นๆหรือไปตรึกถึงเรื่องอื่นๆนี่เป็นลักษณะที่สองลักษณะที่สามเมื่อจิตนี้มุ่งดำเนินไปสู่สมถานิมิตจิตนั้นก็แล่นไปถึงซึ่งสมถานิมิตได้ในที่สุดนี่เป็นลักษณะที่สามของความ ง, งามในเบื้องต้นของปฐมฌา ความงามในเบื้องต้นของผสมชาญนั้นจึงต้องประกอบด้วยลักษณะทั้งสามประการดังกล่าวนี้ส่วนลักษณะของความงามในท่ามกลางคือความครอบคลุมอุเบกขานั้นก็ประกอบด้วยลักษณะทั้งสามประการเพราะว่าการครอบคลุมอุเบกขาในท่ามกลางที่เป็นความงามในท่ามกลางของพรผสมชาญนีน้ประการที่หนึ่งจิตนั้น จิตนั้นจะเพ่งเฉยจะเพ่งเฉยอยู่กับอารมณ์เพราะว่าเมื่อจิตนี้มีความบริสุทธิ์แล้วจิตนี้ไปจะเพ่งเฉยต่ออารมณ์ที่บริสุทธิ์หรือต่ออารมณ์ที่หมดจดเหล่านะั้นซึ่งเป็นอารมณ์ของจิตที่บริสุทธิ์นี่เป็นลักษณะที่หนึ่งของปางงามในท่ามกลาง ลักษณะที่สองของความงามในท่ามกลางของจิตก็คือเพ่งเฉยจิตเพ่งเฉยจิตที่ดำเนินไปสู่สมถานิมิตนั้นเพ่งเฉยต่อจิตอีกทีหนึ่งขณะที่จิตนี้สาถานิมิตลักษณะที่สองของความงามในท่ามกลางของปฐมฌานก็จะเพ่งเฉยในจิตที่ดำเนินไปสู่สมถานิมิตนี่เป็นลักษณะที่สอง ส่วนลักษณะที่สามนั้นเพ่งเฉยเพ่งเฉยในความเข้าไปปรากฏโดยอาการของจิตต่อสมถานิมิตนั้นนี่เป็นเป็นลักษณะที่สามของความงามในข้ามกลางออของปฐมฌานส่วนลักษณะของที่สุดความงามในที่สุดแทงปฐมฌานซึ่งท่านแสดงไว้มีอยู่สี่ประเภทด้วยกันสี่ลักษณะด้วยกัน คือหนึ่งไม่เป็นไปไม่เป็นไปเพื่อความร่วงันเมิดในสมัยนั้นๆเพราะว่าเมื่อบุคคลได้บรรลุถึงซึ่งปฐมฌานแล้วก็ย่อมไม่ไม่ร่วงไม่ร่วงต่อต่ออาุสนต่างๆ เพราะในสมัยที่จิตนี้ได้บรรลุถึงซึ่งปฐมฌานจิตนั้นย่อมมีความแน่นแวนต่ออารมณ์ที่บริสุทธิ์เพราะฉะนั้นจิตชนิดนี้จึงไม่ไม่ล่วงไม่ล่วงต่อต่ออารมณ์ที่เป็นเป็นปัญญิและเป็นอารมณ์ที่บริสุทธิ์ลักษณะที่สองจะทําให้อินย์ทั้งหลายเนี่ย เป็นเอกสมังคีเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดทําให้อินทรีย์ทั้งหลายเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันทั้งหมดที่เป็นศรัทธาวิรยิยะสติสมาธิปัญญาอินทรีย์ทั้งห้านี้จะรวมกันเป็นหนึ่งเราเรียกว่าเอกสมังคีเพราะว่าศรัทธากับปัญญาก็สม่าเสมอกันไม่ไม่มีใครเหลื่อมล้ําต่างสูงกว่ากันวิริยะ กับสมาธิก็เป็นไปโดยสม่ำเสมอกันไม่มีใครล่วงล้ำต่อ ก, กันสติก็ทําหน้าที่โดยสม่ำเสมอเป็นที่เลี้ยงซึ่งคอยอุปถัมม์อยู่คอยกํากับอยู่ก็ทําหน้าที่โดยสม่ำเสมอเมื่อเป็นดังนี้อินทรีย์ทั้งหลายที่เกิดขึ้นทั้ง5ประการนั้นก็เป็นไปโดยสม่ำเสมอกันไม่มีอ IN ินทรยอินทรีย์ใดอินทรีย์หนึ่งนี้จะเหลื่อมล้ําต่ำสูงประกันได้ เนี่ยเราเรียกว่าอินทรีนั้นเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันก็คือเป็นไปโดยสม่าเสมอเป็นเอกสมังคีต่อกันเมื่อเราได้ทราบถึงความงามทั้งสามประการดังกล่าวนี้แล้วซึ่งเป็นลักษณะของปฐมฌานที่ได้นั้นผู้ที่ได้ฌานแล้วเนี่ยเมื่อจิตนี้ได้เพ่งต่อกระสินนิมิตอย่างใดอย่างหนึ่ง เป็นอารมณ์แล้วตามวุติฉัยต่อฌานจึงต้องถือเอานิมิตนี้เป็นหลักวุติฉัยคือถือเอาปฏิภาคนิมิตนี่เองเป็นหลักวิติฉัยว่านี่คืออุปจารสมาธินี่คืออัปนนาสมาธิหรือว่าเนี่ยจิตของเราถึงอุปจารฌานถึงอัปนนาฌานแล้วก็โดยอาศัยนิมิตเนี่ยเป็นเครื่องกําหนดส่วนการขยายนิมิตนั้นได้เคยธิบายให้ท่านทั้งหลายได้เข้าใจมาแล้วครั้งหนึ่งเกี่ยวกับผู้ที่ได้ฌานเนี่ย วันนี้ขออธิบายย้ำอีกนิดหนึ่งว่าการที่จะขยายนิมิตนั้นก็มุ่งที่จะให้เกิดวสีขึ้นในฌานวสีเนี่ยคือความช่ำชองหรือความชำนาญในการเข้าฌานออกฌานทีนี้จิตเนี่ยจะเกิดความช่ำชองต่อต่อฌานได้ก็ต่อเมื่อผู้นั้นได้เป็นผู้ที่ ฝึกจิตนี้เป็นอย่างดีแล้วให้เกิดความชนิดชำนาญขึ้นความชํานาญของจิตที่จะฝึกให้เกิดความชํานาญก็ต้องอาศัยนิมิตเนี่ยมาเป็นหลักในการฝึกเหมือนอย่างเราจะมีความชํานาญในทางใดทางหนึ่งแล้วก็ต้องมีเครื่องมือที่จะฝึกว่าเราจะชํานาญได้ยังไงก็ต้องมีอุปกรณ์เช่นอย่างเราจะมีความช่ําชองในในศาสตรนน์อย่า ง, ง, า ง, าาชชงใด อ, อย่างหนึ่งเนี่ยก็ต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือมีอุปกรณ์ในการฝึกจึงจะเกิดความชนิดชำนาญได้ ถ้าไม่มีอุปกรณ์ในการฝึกแลกความชำนาญก็เกิดขึ้นไม่ได้ครานี้ชั้นใดาการฝึกจิตให้เป็นวัสีก็เหมือนกันจิตที่เป็นวสีในฌานได้ก็ต้องอาศัยปฏิภาคธานิมิตเนี่ยมาเป็นเครื่องฝึกวิธีฝึกจิตให้เป็นวสีก็คือต้องหัดขยายหัดขยายปฏิภาคนิมิตเช่นก่อนที่เราจะแผ่ความสว่างสวยหรือความใสบริสุทธิ์ของปฏิภาคธานิมิตที่ได้เนี่ย บอกว่าโยคาวรจรบุคคลต้องกำหนดขอบเขตก่อนว่าเราจะแผ่เอาความใสสะอาดอันนี้ให้กระจายเปนน็นลักษณะวงกว้างแค่ไหนจะต้องตั้งจุดไว้ก่อนแล้วจึงจะขยายนิมิตอันนี้ออกไปคือสามารถจะขยายนิมิตคือความสว่างสวยที่ได้เนี่ยให้แผ่กระจายออกไปได้ให้เล็กลงได้ด้วยความชำนิชำนาญ เพราะว่าผู้ที่ได้ปฏิภาคนิมิตนั้นนิมิตนั้นต้องอยู่กลางกายนะไม่ใช่อยู่นอกกายต้ององอมาสู่กลางกายเมื่องอมาสู่กลางกายแล้วจึงเอาจิตเนี่ยจับอยู่กับอารมณ์ที่เป็นปฏิภาคนิมิตคือแสงสว่างนี้อย่างมั่นคงจนท่านแสงสว่างคนิมิตเนี่ยที่เป็นกระสีบัญญัตเนี่ยสุขใสสะอาดเช่นอย่างเราแพ่งดินเป็นอารมณ์ครั้งแรกเราจะเห็นดินก่อนแล้วดินนี่จะแปลสภาพใสสะอาดดุจ ด, ดังกระจกแล้วก็แปลสภาพเป็น เป็นรัศมีสีแสงขึ้นมาและเราก็ขยายนิมิตคือที่เป็นวงกสินเดิมที่เราได้